ก็สมัยนั้นแลท่านพระมหากษัะอยู่ที่ถ้ำปิดผลิคูหาอาพาธได้รับทุกเป็นไข้หนักสมัยต่อมาท่านพระมหากษัะหายจากอาพาธนั้นแล้วได้คิดว่าฉะไหนเราพึงเข้าไปสู่พระนครราชครึกเพื่อบินทบาตก็สมัยนั้นเทวดาประมาณ500ถึงความขวนขวายเพื่อจะให้ท่านพระมหากัตได้บินทบาต ท่านพระมหากสัะริยห้ามเทวดาประมาณ500เหล่านั้นแล้วเวลาเช้านุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปสู่พระนครราชครึกเพื่อบินทบาทตามทางที่อยู่แห่งมนุษย์ขัดสนที่อยู่แห่งคนกําพร้าที่อยู่แห่งช่างหูกแล้วก็ไปเดินบินทบาทในตรอกซอกซอยที่ถือว่ายากจนที่สุดนี่นะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัสริย์กลังเที่ยวบินทบาท ในพระนครราชครึกตามทางที่อยู่แห่งมนุษย์ขัดสนที่อยู่แห่งมนุษย์กัาพร้าที่อยู่แห่งช่างหูลําดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเรากล่าวบุคคลมิใช่ผู้เลี้ยงคนอื่นผู้รู้ยิ่งหรือผู้รู้จักตนดีผู้ฝึกตนดีแลวดารงอยู่แล้วในสารธรรม ผู้มีอาสะวะสิ้นแล้วผู้มีโทษอันคายแล้วว่าเป็นพรามอันนี้ก็คือคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของพระอาหารหันต์เหมือนกันนี่นนขนาดพระอาหารหันต์ตสาวกท่านยังมีคุณสมบัติเช่นนี้จะกล่าวไปยายถึงพระตถาคตอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อความนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชคึกในวัดเวลวัน วัดเวรุวันกัลันทกะณิวาปาสถานมีข้อความน่าสนใจที่บอกว่าเมืองราชครึกเนี่ยนะเป็นเมืองอยู่ในสมัยพุทธกาลและสมัยที่มีพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแต่ถ้าเป็นสมัยอื่นจะเป็นเมืองร้างพวกยักษ์ยึดครองกลายเป็นที่อยู่ของพวกยักษ์เหล่านั้นตอนนี้ก็ใช่เลยนะเมืองราชครึกนี่เป็นเมืองร้างอัะนนะี้มี ก็ก็มีคนพักอยู่บ้างแต่ก็ไม่เรียกว่าเมืองอะไรนะก็ถือว่าเป็นเมืองร้างแต่ถ้าเป็นสมัยของผู้มีบุญมาเกิดขึ้นผู้มีบุญทั้งหลายก็จะอาศัยเมืองราชครึกก็ถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็ไม่ต้องสร้างกำแพงเมืองอะไรนะในในสมัยสมัยโบราณเนี่ยนะใครที่เลือกทำเลถือเอาเมืองราชครึกสร้างเมืองนะี่ถือว่าเลือกชัยภูมิที่ดีเพราะว่ามีเขาล้อมรอบ ถือว่าป้องกันค่าศึกศัตรูได้ไม่ยากคน่นะาศึก จ, จะมาลุกรานก็ไม่ใช่จะทำได้ง่ายเพราะว่ามีภูเขาสูงเป็นกำแพงเมืองส่วนที่วัดเวลุวันเนี่ยนะสวนไม้ไผ่เนี่ยได้ยินว่าพระเวลุวันเนี่ยนะที่ชื่อว่ากาลันทกะนิวาปะปกติแล้วสวนเวลุวันนั้นมีกำแพงสูง18ศอกก็9เมตรนะเนะี่ยกำแพงสูง9เมตร ประดับไปด้วยพระคันธกุตีใหญ่สมควรเป็นที่ประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและด้วยสิ่งอื่นมีปราศาสตรกุตีที่เรนมนดบที่จงกรมและซุ้มประตูเป็นต้นภายนอกแวดล้อมไปด้วยไม้ไผ่สีเขียวน่ารื่นรมเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเวลวนนะซึ่งใครได้ไปตอนนี้ก็คงเห็นชัดว่ายัางเป็นสวนที่น่ารื่นรมอยู่นะตอนนี้ก็ถือว่ายัางน่ารื่นรมน่าพักน่าอยู่น่าอาศัย เหตุผลที่เรียกกลันทกะนิวาปะเนี่ยนะเพราะเป็นที่ให้เหยื่อแก่พวกกระแตสมัยก่อนมีพระราชาองค์หนึ่งอะนะพระราชาก่อนพระเจ้าพิมพิสารอีกพระราชาพระองค์นั้นเสด็จไปประพาสณนะพระราชอุทยานก็คนเที่ยวสวนจะมีอะไรนอกจากดื่มน้ำเมาใช่ไหมเหมือนเมษาอย่างนี้แหละก็เลยเมาน้ำจันกันนีพอเมาก็บันทมกลางวันเนีย่ยนะคือเมาไปเต็มที่ก็หลับ ฝ่ายบริวารของพระราชานั้นคิดว่าพระราชาบรรทมหลับแล้วถูกประล้าปลอมด้วยดอกไม้และผลไม้จึงหลีกไปคนละทิศทางก็ไปเที่ยวเล่นชมสวนกันครั้งนั้นงูเห่าเลื้อยออกจากโพรงไม้ต้นหนึ่งด้วยกลิ่นเป็นอะไรกลิ่นน้ำจ้ำ น, นั่นแหละก็เลื้อยมาตรงพระราชารุกคเทวดาเห็นดังนั้นก็คิดว่าเราจะช่วยชีวิตพระราชาจึงแปลงเทพเป็นกระแตไปร้องขึ้นที่ใกล้พระกันเนี่ยนะเป็นกระรอกกระแตเนี่ยมาร้องข้างๆ้างหูพระราชา พระราชาก็ตื่นบันทมงูเห่าก็เลือ้อยกลับไปพระราชาเห็นดังนั้นทรงดัพระดเรว่ากระแตนี้ให้ชีวิตเราจึงทรงเริ่มตั้งเหยื่อแก่พวกกระแตในที่นั้นและทรงให้เป่าประกาศประทานอภัยนะว่าสถานที่แห่งนี้ห้ามคนฆ่ากระรอกกระแตเด็ดขาดแล้วก็มีอาหารก็มาเลี้ยงกระรอกกระแตตอนที่ไปนี่ใครเคยนึกถึงกระรอกกระแตเอาอาหารไปฝากบ้างนะ ก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แมีแต่ลูกหลานวัสการพราหมลูกหลานวัสการพรามณ์นี่ก็เป็นลิงอยู่แถวนั้นเหมือนกันคือวัสการพราหมณ์นี่เป็นคนที่เป็นมหาอมาตย์ของพระเจ้าพิมพ์พิสารแล้วก็เป็นมหาอมาตย์ของพระเจ้าอาชาติศัตรูวาจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เห็นพระมหากัจรยนะก็เลยบอกว่าพระรูปนี้เหมือนลิง like นะกิริยาเหมือนลิงเลย ก็คือพูดด้วยความดูหมิ่นเหยียดยามนั่นแหละเสจแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกให้วัสการะพราหมณ์ไปขอขมาพระมหากัจจายนะเพราะถ้าไม่ขอขมาจะเกิดเป็นลิงวัสการะพรามณ์นี่มีมานะมากนะที่จะยอมตัวไปขอขมาพระเถระนี่ทําไม่ได้แล้วรู้ด้วยว่าพระพุทธพจน์นั้นตรัสคําใดต้องเป็นคํานั้นแล้วก็เลยสั่งบริวาเนี่ยไปปลูกสวนกล้วยเอาไว้ใหญ่เลย ตัวเองเกิดเป็นลิงแล้วจะได้กินกล้วยได้นนะในที่สุดก็เกิดเป็นลิงเหมือนกันเพราะฉนั้นเวลาลิงนี้เดินไปเนี่ยพระพิสุก็เรียกว่าวัศการลิงก็เงียบเลยนะลิงตัวนั้น เ, ง, เงียบเลยนะก็คือพอระลึกชาติได้อยู่บ้างวัศการพราหมณ์นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่ทําบุญพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ยังว่าเกิดมาในสมัยเกิดมาในโลกเนี่ยนะเดี๋ยวก็ทุจริตบ้างโสจริตบ้าง แต่ทีนี้ทุจริตที่หนักก็คือไปอริยุประว่าว่าร้ายพระอริยะไปเลยมีโทษมากไปอบายเลยกันนี่มาพูดถึงพระมหากสปะเนี่ยนะพระมหากสปะนั้นชื่อว่าพระมหากสปะเพราะเป็นพระกสปะผู้ใหญ่เหตุก็คือท่านประกอบด้วยคุณมีศีลขันธ์เป็นต้นท่านมีกองศีลมีกองสมาธิมีกองปัญญามีกองวิมุติมีกองวิมุติยะ วิมุตติยานัทสนะเนี่ยนะก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกิยะโลกุตระวิมุตตินี้เป็นโลกุตระอย่างเดียวส่วนวิมุตติยานัทสนะเป็นปัจเจเวขณาญาและท่านยังมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกเช่นอภิญญา6สมาบัติ8วิโมกแปดเป็นต้นเป็นคุณเป็นพระที่พระพุทธเจ้ า, ายกย่องมากยกย่องว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยประกอบมีอย่างคุณธรรมอย่างใดเนี่ยนะ เช่นมีสมาบัติแปอย่างใดพระมหาคสปะก็มีอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามีอภิญญาหกอย่างใดพระมหาคสปะก็มีอภิญญาเช่นนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้เล็งเห็นเลยว่าพระอัครสาวกพระสารีบุตรพระโมคขลานะปรินิพานไปก่อนแต่พระมหาคสปะยังอยู่พระมหาคสปะนี้จะเป็นประธานรวบรวมพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นประธานในการทําสังขยา พระองค์จึงยกย่องพระมหากสปะถือว่าเป็นสาวกที่สต่อจากพระโมคคัลลานะนั่นอีกอย่างหนึ่งพระมหาเทระองค์นี้เรียกว่าพระมหากสปะก็เพราะเทียบกับพระกุมารากสปะพระกุมารากสปะนั้นก็เป็นเอตทัคคะในการกล่าวธรรมได้วิจิตนั่นเกล่าวธรรมได้วิจิตมากพระมหากสปะนั้นอาพาธอยู่ที่ถ้ำปิภริคูหา ที่ใกล้ประตูถ้านั้นมีต้นดีปลีต้นหนึ่งก็เลยเรียกถ้ำนี้ว่าปิดพลิคูหาเรียกว่าถ้าดีปลีหรือเปล่าตอนนั้นอาพาธิโกก็คือเป็นอาพาธอาพาธก็คือมีการป่วยไข้เป็นทุกข์เกิดความทุกข์ทางร่างกายร่างกายประสบไปด้วยความทุกข์บางแห่งก็บอกว่าท่านได้สูตรกลิ่นเกษรเข้าไปสูตรกลิ่นเกษรเนี่ยนะมันมันจะมีบางช่วงที่ที่ เกสรดอกไม้เนี่ยลอยปลิวไปท่านก็สูดเข้าไปแล้วก็พิษเนี่ยนะพิษก็มีขึ้นก็ทำให้ป่วยภารหะคิราโนได้แก่เป็นผู้มีความไข้หนักแต่พระมหากัะสป่นี้มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นความไข้นั้นได้คือถึงจะปวดจะป่วยขนาดไหนจิตใจก็ไม่กระสับกระส่ายจิตใจก็ดำรงอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะไม่ทิ้งสมถะและ วิปัสนาอะไรไม่ปล่อยให้บาปอากุศลกลุ่มลมเพราะท่านเป็นะ่าหันแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเหตุคือความเจ็บป่วยของท่ามหากสปะพระองค์ก็เสด็จไปที่นั้นตรัสโพชงขับปริษด้วยโพชงขับปริษนั้นเองพระเทระจึงหายจากอาพาธนั้นฟังธรรมแล้วหายป่วยเลยนะก็ดูใครป่วยแล้วก็ฟังเนี่ย โพชงขับปริตดูว่าจะหายป่วยไหมก็โดยสมัยนั่นแหลอันนี้ข้อความในโพชงขสังยุทธ์เนี่ยนะโพชงขสังยุทธมาว่าท่านพระมหากษัตริยอาพาธเป็นทุกข์มีไข้หนักอยู่ที่ถ้ำปิภริคูหาครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่เร้นเสด็จเข้าไปหาพระมหากษัตริยถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ประทับบนอาสนะที่ตกแต่งไว้ครั้นประทับนั่งแล้วเนี่ยนะ ก็ได้ตรัสพระดํารัสนี้กับท่านพระมหากระสปะว่ากระสปะเธอพอทนได้หรืออันนี้คำคำของคนไปเยี่ยมไข้่ะนะพอทนได้หรือพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาสั่งลงไม่กําเริบหรือที่สุดของความสั่งทุกขเวทนาปรากฏความกําเริบไม่ปรากฏ ห, หรือคือหมายคือว่าความเจ็บป่วยนี้ลดลงไปแล้วใช่ไหม ความหายป่วยได้ปรากฏขึ้นบ้างไหมนะก็ถามถึงอาการของเวทนาที่จริงเนี่ยพระพุทธจเจ้ารู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างถามทาไมถ้าตั้งคำถามแบบนี้ถามทาไมถามเพื่อเพื่อให้มีเหตุจะได้ปรารบธรรมเป็นต้นนะแล้วก็เป็นการพูดเพื่อเพื่อเป็นแนวทางนะเพื่อจะได้ให้กำลังใจแก่คนป่วยไขย้ปกติไข้าทางกายเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ให้ไข้าทางใจ ปุตุชนทั้งหลายอันนี้เวณน ป, ปุตุชนนะเว้นพระอริยเจ้าโดยมากนั้นเมื่อเกิดความทุกข์ทางร่างกายจะตามด้วยความทุกข์ทางจิตใจเสมอเหมือนกับความทุกข์ทางร่างกายเหมือนกับลูกศรดอกที่หนึ่งที่ยิงเข้าไปความทุกข์ทางจิตใจก็คือเหมือนกับลูกศรดอกที่สองที่ทิ่มไปถึงใจเลยแต่พระอริยะทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะนะมีแต่ความทุกข์ทางร่างกายไม่ถึง ความทุกทางใจขณะเดียวกันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงพระพุทธพจน์เหล่านี้เพื่อจะได้เป็นแนวทางเป็นแบบแผนเวลาที่เราทั้งหลายไปเยี่ยมป่วยเยี่ยมไข้เป็นยังไงทนได้ไหมยังอัตภาพยังร่างกายให้เป็นไปได้ไหมคําพูดเหล่านี้คนฟังฟังไปแล้วก็ยังพอที่จะเกิดปีติปราโมทย์หัวนระลึก น, นะนี่ทีนี้พระมหากระสปะก็ทูลตอบตามเป็นจริงว่าข้าพระองค์นี้ทนไม่ไหวคืออาภรรษนี้เป็นมาก ยังอัตภาพให้เป็นตปไม่ได้พระเจ้าค่าข้าพระองค์เนี่ยมีความทุกข์อย่างแรงกล้ายัยางกำเริบคือความทุกข์มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่สางลงพระเจ้าค่าความสิ้นสุดแห่งความกำเริบยังปรากฏความสางลงไม่ปรากฏพระเจ้าค่ามีแต่ป่วยขึ้นป่วยขึ้นเอ๊ะทำท่าจะหายนี่ไม่ค่อยเห็นเลยมั้งกันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่ากัสปะโพชชงเจ็ดเหล่านี้ เรากล่าวชอบแล้วอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อปรินิพานเนี่ยนะนะหรือว่าพ่ชงเนี่ยพชงแปลโดยสั์แล้ ว, ว่าองค์แห่งธรรมะที่ทำให้ตรัสรู้หรือองค์แห่งความตรัสรู้หรือพระอริยส า, าวกผู้ประกอบด้วยองค์เจ็ดเหล่านี้แล้วก็จะตื่นจากความหลับคือกิเลสตรัสรู้สัจจะ พจน์ชงทั้งเจ็ดนั้นที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ถูกต้องแล้วไม่มีผิดพลาดถ้าหาว่าภาวิตาคือทําให้มีขึ้นอบรมขึ้นพระหุลีกตาทําให้มากๆขึ้นอภินญายะย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งก็คืออบรมพจนชงเจ็ดจะเป็นไปเพื่ออริยมรรคสมโธายะเป็นไปเพื่อตรัสรู้นิพานายะเป็นไปเพื่อพระนิพพานดังนั้นถ้าเจริญโพจน์ชงได้ดีถูกต้องเป็นไปเพื่อมรรคและนิพพาน โพชงเจ็ดมีอะไรบ้างดูก่อนกัสปะสติสัมโพชงอันเรากล่าวชอบแล้วอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพพานนันะถ้าเป็นผู้ที่อบรมสติประฐานเนี่ยนะพอใช้คำว่าสติสัมโพชงก็คือสติประฐานอนุปัสนาที่เกิดร่วมกับสติอ น, นั้นแหละที่พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะใครที่เจริญระดับ มัคคามัคยาณทัศ น, นวิสุทธิอบรมอนุปัสนาได้พอฟังคําว่าสติสัมโพธชงสติที่เป็นองค์ให้ตรัสรู้เนี่ยนะก็เข้าใจได้ทันทีว่าสติเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเจริญทําให้มากแล้วเป็นไปเพื่อรู้ยิ่งตรัสรู้เพื่อนิพพานคือเป็นไปเพื่อมรรคผลจริงๆธรรมวิจยะสัมโพธชงวิริยะสัมโพธชงปีติสัมโพธชงปัสสัทถิสัมโพธชง สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ด i̇şte. ูก่อนกัสปะอุเบกขาสัมโพชฌงค์แลเรากล่าวชอบแล้วอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสร NO ู้เป็นไปเพื่อนิพพานดูก่อนกัสปะโพชฌงค์เจ็ดเหล่านี้แลเรากล่าวชอบแล้วอบรมแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อตรัสรู้เป็นไปเพื่อนิพพาน พอพระผู้มีพระภาคแสดงจบลงพระหมหากัสปาก็ทูนขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าโพชฌงนี่ดีแท้ข้าแต่พระสุคตโพชฌงนี่ดีแท้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ไว้ท่านพระหมหากัสปะดีใจเพลินภาสิทธของพระผู้มีพระภาคเจ้าและท่านพระหมหากัสปาก็ได้หายจากอาพาธนั้นแล้ว และอ า, าพาธนั้นก็เป็นอันชื่อว่าพระหมหากระสปะละได้แล้วอย่างนี้ฟังยังให้หายป่วยได้คือที่ท่านหายป่วยนี่หมายถึงอพอพระผู้มีพระภาคแสดงว่าสติสัมโพชฌงเป็นต้นซึ่งท่านอบรมสติธรรมะวิจยะวิริยะปีติปัสสัตทิสมาธิและอุเบกขาสัมโพชฌงเนี่ยด้วยความชำนิชํานาญและเป็นธรรมะที่ทําให้ท่านตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เป็นธรรมะที่ทําให้ท่านบรรลุเป็นพระอรหรันต์ พอพระผู้มีพระภาคแสดงอย่างนี้ท่านก็หวนระลึกถึงคุณธรรมเหล่านี้ที่ท่านเคยอบรมมาที่ท่านเคยเจริญมาพอระลึกถึงเนี่ยนะท่านบอกว่าเมื่อจิตก็ผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสก็ทำให้หัตยวัตถุผ่องใสอ น, น้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงก็ผ่องใสการไหลเวียนของเลือด ก, ก็เลยทำให้หายป่วยหายไข้ได้มันหลังจากหายป่วยเนี่ยนะท่านพระหมหากัะสปะก็ฉันบิณธบาท ปกติน ะ, อะตอนที่ท่านป่วยลูกศิษย์ของท่านก็บินทบาตนำเข้าไปถวายในเวลาป่วยไข้เวลาก่อนๆเพราะฉะนั้นตอนที่ท่านป่วยท่านก็ชันอยู่แต่เฉพาะที่วิที่วัดนะนะหลังจากหายแล้วท่านก็เลยคิดว่าชะนายนอเราเพิึงเที่ยวบินทบาตในเมืองราชครึกตอนนั้นนางอับสอนผู้มีเท้าดังสีนกพิราบประมาณ500อผู้บำเรอกกเท้าสกเทวราช ห้ารอนี้ก็มีบทบาทอีกหลายเรื่องอนะเดี๋ยวก็จะมีต่อไปอีกหลายเรื่องเรื่องเช่นเรื่องพระนันทะก็จะกล่าวถึงกลุ่มนี้อีกนางอับซรเหล่านั้นคิดจะถวายบิณฑบาตแก่พระเถระจึงตระเตรียมบิณฑบาตห้าร้อยที่ใส่ภาชนะทองไปยืนอยู่ระหว่างทางพลางกล่าวว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงรับบิณฑบาตนี้จงสงเคราะห์พวกดิฉันต่างก็ขวนขวายในการถวายบิณฑบาต น, น เพื่อจะให้ท่านพระมหากระสปะได้รับบิณฑบาต ท, ที่จริงนางทั้ง500้อยมาใส่บาตรเนี่ยนะมาเพราะแผนของเท้าสกะนี่แหละคือได้ยินว่าเท้าสกะเทวราชเนี่ยนะทราบความเป็นไปแห่งจิตของพระเถระจึงส่งนางอับซรเหล่านั้นไปด้วยพระดํารัสว่าพวกเธอจงไปถวายบิณฑบาตแก่พระผู้เป็นเจ้ามาหากระสปะกระทําให้เป็นที่พึ่งของตนอันนี้ความเป็นจริงก็คือเท้าสกะเทวราชนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า บรรดานางอับสรทั้งหมดนี้ที่ไปถึงบางคราวพระเถระพึงรับบินทบาตจากมือของนางอับสรแม้สักคนข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเพื่อกูลเพื่อความสุขแก่นางตลอดกาลนานแต่ถ้าหากว่าพระเถระห้ามนางอับสรผู้กําลังพูดว่ า, า, นะาหมายว่าถ้าใช้ให้นางอับสรเหล่านี้ไปใส่บาตนะถ้าพระองค์ถ้าพระรับก็ดีแล้วถ้าท่านไม่รับล่ะท่านก็จะห้ามานะ ถึงนางจะอ้อนวอนว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงรับบินทบาตของดิฉันขอท่านจงรับบินทบาตของดิฉันท่านก็กล่าวว่าพวกเธอได้ทำบุญไว้แล้วจึงมีโภคะมากจึงมีโภคะมากได้เกิดในสวรรค์เป็นต้นเพราะฉะนั้นจงหลีกไปเราจะสงเคราะห์แก่คนเข็นใจแล้วก็ห้ามอีกครั้งกับนางอับสอนผู้พูดนะ ทั้งๆ ท, ที่นางอับซรเหล่านั้นก็อ้อนวอนนะขอท่านอย่าทําพวกดิฉันให้พินาศเลยจงสงเคราะห์พวกดิฉันเถิดก็คือปรารถนาจะให้สมบัติของตนที่อยู่ในสวรรค์นี้ยัย่งยืนต่อไปใช่ไหมจะได้บริโภคนานๆอยู่นานๆท่านก็เลยดีดมือกล่าวซ้ํากับ น, นางอับซรผู้ไม่ปรารถนาจะหลีกไปซึ่งยังอ้อนวอนอยู่ว่าพวกเธอไม่รู้ประมาณของตนหลีกไปนางอับซอได้ยินเสียงดีดนิ้วมือของพระเทนะก็ไม่อาจดํารงอยู่ได้จึงหนีไปยังเทวโลกตามเดิม ท <c oughs> ีนี้พระฝ่ายพระหมหากัสสปะก็นุ่งห่มอย่างมั่นคงห่มจีวรถือบาทเข้าไปบิณฑบาตแล้วก็เข้าไปยังถิ่นที่อยู่ของคนเข็นใจที่อยู่ของคนยากจนที่เรียกว่าคนยากจนก็เพราะถึงความเสื่อมสิ้นโภคะเนี่ยนะหมดทรัพบแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้านี่เห็นได้อย่างไรคำถามนะก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รำพึงอาวัชนะขึ้นว่ากัสสปะบุตรของเราหายจากอาพาธแล้ว กำลังทำอะไรหนอทั้งที่ประทับอยู่ในพระเวรุวันนั่นแหลก็เห็นด้วยทิพจักสุเนี่ยนะพอพระองค์เทราบเนื้อความที่ท่านพระมหากรสปะห้ามบินทบาทอันเป็นทิพมีสูปะและพยัญชนะมากมายเรียกว่ามีข้าวมีกับที่หอมอร่ อ, อยรเยอะแยะพระมหากรสปะก็ห้ามห้ามอาหารเหล่านั้นที่นางอับสรนเข้าไปถวายแล้วก็กล่าวถึงข้อปฏิบัติในการสงเคราะห์คนกัพระ ที่ท่านห้ามอาหารของผู้มีบุญอยู่แล้วเนี่ยเพื่อจะไปรับอาหารของคนยากคนยากจะได้มีโอกาสทำบุญบ้างเนี่ยนะพระ อ, องค์พอทราบอย่างนั้นพระ อ, องค์ก็อุทานคือเปล่งอุทานเนื้อความนี้แสดงอนุภาพความคงที่ของพระอรหันต์ว่าพาระอรหันต์จิตใจของท่านคงที่จริงๆในโลกธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นลาบเสือเส่อมลาบยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกจิตของท่านคงที่เสมอตัว ในขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้มีคุณธรรมคือมักน้อยเป็นประธานก็คือมากน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปรารบความเพียรนั่นเองในคาถาเมื่อกี้ที่บอกว่าเรากล่าวบุคคลไม่ใช่ผู้เลี้ยงคนอื่นก็มาจากบาลีว่าอนัญญโปสิงอนัญญโปสิงแปลว่าชื่อว่าอนัญญโปสีก็คือเลี้ยงคนอื่นผู้ไม่เลี้ยงคนอื่นชื่อว่าอนัญญโปสีอธิบายว่าไม่มีเพื่อนสอง เป็นผู้เดียวไม่มีคนอื่นที่ตนจะต้องเลี้ยงไม่ต้องบินทบาทเผื่อเลี้ยงใครว่างั้นด้วยคำนี้แสดงถึงพระเทรสเป็นผู้เลี้ยงง่ายจริงๆเลี้ยงง่ายยังไงก็อยู่ได้ไอความเลี้ยงง่ายของพระหมหากระสาเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปบินทบาทในบ้านหมู่บ้านคนจนแล้วก็เป็นคนที้เรือนด้วยทีนี้คนโรคเรือนนี่ก็เห็นพระหมหากะัะสาท่านก็ออกมาใส่บาตร นนก็กําลังถือเอาข้าวเนี่ยสายบาดนะนิ้วมือก็ตกไปด้วยนิ้วหลุดเลยนะสายบาดพระมหากษัตตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีพระวินัยบัญญัติอะไรเนี่ยนะท่านก็ตอนหลังท่านก็ออกไปหนึ่งเอ๊ะคนขี้เรือนสงสัยถ้าะจะฉันให้เราหรือเปล่าท่านก็เอานิ้วออกแล้วท่านก็นั่งฉันให้เขาเห็นด้วยนะไม่แสดงความอาการที่รังเกียจอะไรเลยขีน้นิ้วมือกับเท้าไก่ดังกันตรงไหนเอาก็อยู่ด้วยกันนะใกล้ๆกักกกนนะเหมือนๆกันนั่นแห ล, ล, ละ ท่านเป็นผู้เลี้ยงง่ายมากเลยนะพระมหากระสปะแต่ถามว่าพระมหากระสปะนี่คือใครพระมหากระสปะเนี่ยนะเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่นะจริงๆแล้วท่านเป็นมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยมากมีกองทัพเป็นของตัวเองเป็นเศรษฐีที่มีกองทัพเป็นของตัวเองเนี่ยนะมีมีเมืองตั้งหลายแห่งมีเหมืองตั้งหลายแห่งมีทาบนี้เป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะมีคนงานเป็นหมื่นเป็นแสนมีทรัพย์สินมากมาย ถ้าอาบน้ำเนี่ยสบู่คือทองคำมาลูบตัวอาบใช้ใช้ใชทองคานันลูบตัวอาบน้ำนะร่ำรวยขนาดนั้นแต่ท่านก็สละหมดไม่ไม่ไม่ไมสนใจเลยก็ออกบวชออกบวชเจ็ดวันก็เป็นพระอารหันต์เป็นพระที่มักน้อยสันโดษเป็นผู้ที่รักษาธุดงด้วยคือปฏิบัติขัดเกลาแล้ะก็สรรเสริญในข้อปฏิบัติที่ขัดเกล้า ความจริงพระเทระเนี่ยเลี้ยงเฉพาะตนด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายคือไม่มีการสั่งสมจีวรนะแล้วก็เลี้ยงตนด้วยบทบิณฑบาตเป็นเครื่องบริหารท้องจึงชื่อว่าเป็นผู้มักน้อยเป็นอย่างยิ่งท่านมีผ้าก็เพียงเพื่อปกปิดอวั ย, ยวะอันให้เกิดความละอายมีอาหารก็เพียงแต่เลี้ยงชีวิตให้เป็นไปวันวันหนึง่งคือเอ๊ะ ถ, ถ้าตั้งคําถามว่าทําไมท่านจึงไม่ให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้ คือท่านมีสิ่งที่มันดีกว่านี้เป็นล้านล้านเท่านะท่านเลยไม่ได้มาสนใจกับสิ่งเหล่านี้เช่นการเข้าพระสมาบัติของท่านท่านมีความสุขกว่าสิ่งเหล่านี้มากเนะเพราะท่านไม่อาลัยในมหาพูดนั่นแหละท่านจึงเป็นพระอรหันต์ได้ท่านจึงตัดฉันทะราคะแล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์เมื่อท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็สวยวิมุตติสุขคล้ายๆพระพุทธเจ้าใช่ไหมมีความสุขในการเข้าพระสมาบัติท่านก็มีความสุขสุขในอาหารจะอิ่มสักกี่นาทีใช่ไหม จะรู้สึกอิ่มนานไหมเดี๋ยวก็เติมอีกแล้วอย่างเงี้แต่ท่านพอเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้ท่านเข้านั่งเข้าพระสมาบัติหรือเข้านิโรธสมาบัติทีเวันเนี้ยท่านก็มีความสุขเจ็ดวันติดกันไม่มีอะไรระหว่างเลยอย่างเงี้เพราะฉะนั้ น, ท, นท่านได้ความสุขที่ยิ่งกว่าท่านก็เลยถือว่าไอ้ความสุขที่เกิดจากปัจจัย4ี่เป็นความสุขเล็กน้อยเป็นความสุขที่ในที่สุดก็นํามาซึ่งโทษภัยด้วยซ้ําไป ขณดเดียวกันพระองค์พระมหากษัะไม่เลี้ยงใครใครอื่นในบรรดาญาติมิตรเป็นต้นเพราะเป็นผู้ไม่ติดในอารมณ์ไหนๆเป็นประดุดลมเคยเห็นลมไปค้างอยู่ตรงไหนไหมพัดไปที่ไหนและค้างอยู่ะที่นั้นพระมหากษัะท่านก็ลักษณะนั้นท่านก็โคจรท่องเที่ยวไปเรื่อยแต่ก็ไม่ได้ติดพันในอารมณ์แม้แต่นิดเดียวอีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าอนัญญโปสีเพราะไม่มีภาระที่ตน อันคนอื่นคนใดคนหนึ่งจะพึงเลี้ยงหมายคือว่าไม่เอาตัวเองไปเป็นภาระให้แก่บุคคลใด น, นะไม่ยอมเป็นภาระของผู้ใดความจริงผู้ที่มีปัจจัยสี่เนื่องด้วยทายกผู้ให้ปัจจัยคนเดียวเท่านั้นไม่ชื่อว่าอนัญญปโปสีเพราะมีความประพฤติเนื่องกับคนคนเดียวหมายคือว่าโยนภาระของตัวเองไปให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งฝ่ายพระเถระอาศัยกาลังแข้งเที่ยวบิณบาตโดยในเป็นต้นว่า ยะถาปิพมโรปุพังก็คล้ายๆกับที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงพระมหาโมคคลานะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระมหาโมคคลานะไปรับอาหารบิณฑบาตของเศรษฐีตนีอยู่ที่หนึ่งความที่ท่านเนี่ยไปสงเคราะห์เศรษฐีนั้นโดยไม่ไม่ให้เศรษฐีนั้นเสียทรัพย์อะไรมากสงเคราะห์สแสดงธรรมแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเหมือนกับ หมูพมอนคือหมูพึ่งที่บินเข้าไปในสวนดอกไม้อะนะพึ่งทั้งหลายเนี่ยไปทำให้อดอกไม้ชำชอกไหมให้ให้เสียหายเลยไหมไ ม, ไม่ไปดูดเอาเฉพาะเกสร น, น้ำหวานนิดหน่อยพึ่งก็บินไปผ้าอาหารทั้งหลายก็ฉันนั้นท่านเข้าไปในตระกูลใดก็เพียงเพื่อจะสงเคราะห์เขาเหล่านั้นเนี่ยนะโดยไม่ทำให้ตระกูลนั้นเสียหายเดือดร้อนอะไรเลย จริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าชมเชยพระมหากรสปะนั้นด้วยปฏิปทาอันเปรียบด้วยดวงจันทร์เคยเห็นพระจันทร์เต็มดวงขึ้นหมขึ้นบนฟ้าเป็นที่รังเกียจของมหาชนไหมไม่เป็นทำให้มหาชนเดือดร้อนไหมไม่เป็นแล้วพระจันทร์นี้ติดท้างอยู่บ้านไหนไหมไม่ฉันใดพระอรหันต์ทั้งหลายก็ฉันนั้นนบทว่าอัญญาตังอัญญาตังตรงนี้เ่าแปลว่าผู้รู้ยิ่งใช่ไห อาตกถาแปลว่ามีชื่อเสียงปรากฏคือมีเกียรติยศแผ่ไปด้วยคุณตามความเป็นจริงอันที่จริงก็พระมหาสปะถ้าพูดแบบภาษาเราก็เรียกว่าคนดังอ่ะนะหรืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยอัญญาตังก็แปลว่าคนมีชื่อเสียงปรากฏอ่ะ น, นะมีชื่อเสียงเพราะอะไรเพราะเป็นผู้มีความมักน้อยมีความสันโดษ ด, ด้วยภาวะไม่ต้องเลี้ยงผู้อื่นนั่นแหลยนะชื่อเสียงท่านดีมากเลยนะเขาเราว่าท่านเป็นพระที่ ที่พระอนน์เกรงใจที่สุดอนะไรอย่างเงีเกรงใจมากเลยนะทั้งเกรงใจพระหมหากระสปะจริงๆเลยพระอนนท์เนี่ยแล้วเป็นพระรูปเดียวที่กล่าวว่าพระอนน์ว่าเด็กคนนี้ไม่รู้จักประมาณตนอนะท่านเรียกพระอนนว่าเด็กเลยนะพระอนนก็บอกตอนเนี้ยผมหัวงอกแล้วนะก็ก็ท่านก็เหมือนเด็กนั่นแหละเพราะท่านเที่ยวไปแต่กับพระเด็กๆถ้าไปกับพระเด็กๆมากท่านก็เป็นเด็กอนะั่างเงีนั่นก็อย่างเงี้ย ท่านพระมหากระสปะนี้เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในความมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีประรบความเพียรนะนะอัญญาตังในที่สามบทว่าอัญญาตังชื่อว่าอันคนอื่นไม่รู้จักอ่ะยาตังนั่นแหละคืออัญญาตังนี่แปลได้หลายความหมายนะเขาบอกว่าภาษาบาลีเนี่ยสับท์บเดียวเนี่ยแปลได้ตั้งหลายในเหมือนอย่างอัญญาตังอันแรกแปลว่าชื่อเสียงดัง อย่างที่สองก็อีกอย่างหนึ่งนะก็คือมีชื่อเสียงปรากฏเพราะไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นในที่สามก็คือชื่อว่าอัญญาตังเพราะคนอื่นไม่รู้จักอะาตังอ่ะนะยาตังแนะปลว่ารู้ใช่ไ้ย อ, อันอะตัวนั้นก็แปลว่าไม่ไม่มีใครรู้จักว่างั้นโดยให้ผู้อื่นรู้จักตนหมายความว่าไม่ต้องการให้ใครรู้จักเพราะอะไรเพราะไม่ปรารถนาลาบสการะและชื่อเสียง เหตุผลก็เพราะว่าท่านละตันหาได้แล้วโดยประการทั้งปวงเมื่อไม่มีตันหาแล้วท่านจะต้องการไปทำไมความจริงคนที่ยังไม่ปราศจากตันหามีความปรารถนาลามกปรารถนาลามกแปล ว, ว่าปรารถนาด้วยจิตที่เป็นบาคย่อมให้คนอื่นรู้จักตนโดยประสงค์การยกย่องด้วยอาการหลอกลวงหมายความว่าตัวเองไม่มีศีลแต่แสดงตัวเป็นผู้มีศีลเพื่ออยากได้ลาบสการะ ตัวเองเป็นคนฟุ้งซ่านก็แสดงตัวว่าเป็นผู้มีสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะทั้งทั้ที่ไม่มีคุณธรรมก็โชว์ตัวว่าตัวเป็นผู้มีคุณธรรมไม่ได้เป็นทารหารันก็แสดงตัวว่าเป็นพรทาสหันเป็นต้นเพื่อต้องการลาบสักการะเนี่ยนะพวกนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่าผู้ปรารถนาะลา ม, มกปรารถนาะด้วยจิต ท, ที่เป็นบาปพุทธพจน์ ต, ต่อไปก็คือผู้ฝึกตนแล้วฝึกตนเนี่ยมาจากทันตังทันตัง ไม่ใช่ทันตะที่แปลว่าฟันนะทันตะตัวนี้แปลว่าฝึกฝึกตนแล้วเพราะอาจถาว่าฝึกตนอย่างสูงสุดในอินทรีย์ทั้งหลายด้วยอำนาจฉลังคู่เปขาฉลังคู่เปขาอุเบคาด้วยอันประกอบไปด้วยองค์หหมายถึงว่าจักสุเห็นรูปแล้วไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือโดยอนุพยัญชนะดำรงอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะคืว่าเน้นที่ตัตระมช ต, ตา ท่านเป็นผู้ฝึกฝึกสำเร็จแล้วมทุกทวาเ น, นี่ยนะรับรู้อารมณ์ใดก็ไม่มีกิเลสไม่มีอกุศลเกิดขึ้นเพราะในทุกทวา a ท่านรอบรู้สิ่งเหล่านั้นนะเจริญอนุปัสสนาเจเจริญสมถาวิปัสนาจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เสร็จแล้วดำรงอยู่แล้วในสารธรรมแปลว่าสาเรปติถิตังเนี่ยนะดำรงอยู่ในสารธรรมสาระในที่นี้คืออะไร เน้นไปที่พิเศษคือวิมุตติสาระวิมุตติสาระวิมุตต์ก็มีห้าใช่ไหมประทางข้าววิมุตต์เวกขมภนาวิมุตต์สมุตเฉทาวิมุตต์ปฏิปัสสัทธิวิมุตต์และนิสรณวิมุตต์นั่นนะเพราะฉะนั้นท่านมีวิมุตต์ทั้งห้านั่นแหละเป็นสาระนั่นนะหรืออีกในหนึ่งสาระคือศีลเพราะท่านมีศีลเนี่ยเป็นแก่นสารชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยมีอะไรเป็นแก่นกระดูกกระดูกเป็นแก่นได้ไหมมันผุขึ้นมาจะว่าไงเนาะ มันไอแก่นในที่นิ่มเน้นไปที่ศีลมีศีลเป็นแก่นศีล น, นี่ก็ต้องเป็นศีลของพระอรหันต์ด้วยนะมีศีลเป็นแก่นมีสมาธิเป็นแก่นมีปัญญาเป็นแก่นมีวิมุตเป็นแก่นมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นแก่นก็คือแก่นสารของของชีวิตหรือแก่นสารของพระอรหันต์ก็เนื่องจากท่านมีคุณธรรมเหล่านี้นั่นเองบทว่าขีนาสวังวันตโทสัง เชื่อว่าขีนาสวะขีนาสวังตัวนั้นเนี่ยขีนาสวะขีณาแปลว่าสิ้นไปก็บวกอาสวะอาสวะถึงความสิ้นไปแล้วเพราะละอาสวะทั้งสี่มีกามาสวะเป็นต้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีกามาสวะไม่มีภวาสวะไม่มีทิฏฐาสวะและไม่มีอวิชชาสวะเมื่อละอาสวะได้หมดแล้วท่านก็เชื่อว่าวันตะโทสะเพราะคลายโทสะได้แล้ว นะหรือโทสะตัวนั้นแปลว่าโทษก็ได้นะเพราะคายโทษมีราคะเป็นต้นได้แล้วโดยสิ้นเชิงท่านไม่มีราคะไม่ใช่แบบจกักขูวิญญาณนะจกักขูวิญญาณโสตวิญญาณคารณวิญญาณทวิปัญจจิตชาติวิบากที่ไม่มีกิเลสแต่หมายถึงจิตของท่านเนี่ยนะจิตทุกประเภทของท่านคายบาปคายอากุศลได้หมดแล้วด้วยอนุภาพของอริยมรรค ตมะหังบรูมิพระมณังเนี่ยนะความว่าเรากล่าวบุคคลนั้นบุคคลไหนบุคคลผู้ไม่ใช่เลี้ยงผู้อื่นผู้รู้ยิ่งผู้ฝึกตนแล้วดำรงอยู่ในสารธรรมผู้มีอาสวะสิ้นแล้วผู้มีโทษคือราคะเป็นต้นคายได้หมดแล้วเราเรียกบุคคลนั้นแหละว่าเป็นพรามเพราะอะไรเพราะบุคคลนั้นเป็นพรามโดยปรมัตน์ซึ่งมีคุณธรรมคือ อ น, นัญญโปศีไม่เลี้ยงผู้อื่นอนยาตังคืออันคนอื่นไม่รู้จักเพราะว่าไม่จําเป็นต้องโชว์เพราะสิ้นตันหาหมดแล้วฝึกด้วยฝึกอินศีเรียบร้อยแล้วมีศีลเป็นต้นเป็นสาระละอาสวะศีขายโทษได้หมดท่านมีคุณธรรมอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าเป็นพราหมณ์สูตรนี้ถ้ากล่าวไปแล้วก็เรียกว่าอะเสขะสูตรเนี่ยนะอะเสขะสูตรเป็นสูตรว่าด้วยพระอรหรันต สูตรของพระอรหันนี่มาหลายสูตรแล้วใช่ไหมสูตรที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะติดกันตั้งแต่อาชาปาระนิโคร ส, สูตรเทระสูตรมหากัสปะสูตรสูตรนี้เป็นสูตรของพระอรหันต์หมดเลยเป็นกล่าวถึงคุณธรรมของพระอรหันต์อันเวลาเราสวดอรหรังเราจะได้นึกถึงว่าพระอรหันต์ท่านมีคุณธรรมเช่นนี้เนี่ยนะท่านมีคุณธรรมเช่นนี้ นี่มาดูผีหลอกพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์กลัวไหมเอาเนี่ยปาวาสูตรเนี่ยนะนะไม่ได้ยินเลยเป็นสาวกที่เป็นเอตะทัคคะเลิศด้านทุดงอา่ามีเยอะมีเยอะเนี่ยนะแต่ว่าท่านก็ส่วนใหญ่ท่านไม่ค่อยออกไม่ออกตัวเลยแต่ท่านก็ทำอะไรเยอะมากนะน พระพุทธเจ้าใช้ให้พระหมหากัะสปะแสดงธรรมนี่บ่อยอนะเราหรือเธอเท่านั้นควรแสดงธรรมเป็นต้นเนี่ยนะแต่พระหมหากระสปะท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายว่ายากสอนยากเป็นต้นน่ยนะท่านก็เลยไม่แต่ท่านก็ลูกศิษย์เยอะนะท่านมีลูกศิษย์ห้าร้ยนะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีพระเถระหลายรูปที่มีฉันทะมีความรู้ความสามารถในการแสดงธรรมเก่งอยู่แล้วเนี่ยนะนะ ก็เขาก็เลยไม่ค่อยพูดถึงและพระหมหากัสปะท่านก็จะชอบเลีกเรเน้นนี่นะวันวั น, ว น, วนหนึ่งก็แทบไม่ค่อยได้เห็นหน้าใครแต่ความสามารถของท่านเนี่ยนะพระอรหันต์ทั้งหมดต้องยกให้อะ่ะพระอรหันต้องยกย่องนะนะเพราะว่าท่านสามารถรวบรวมพระอรหันต์ได้เพราะปกตินะถ้าเป็นผ้ารูปอื่นเนี่ยไม่ใช่ใช้พระอรหันต์ได้ง่ายๆนะเนี่ยนะสั่งให้พระอรหันต์มาประชุมกันไม่ใช่จะทําได้ง่ายๆถ้าไม่ใช่พระหมหากรสปะเนี่ยนะ เพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยมีพระมหากัจยานะเป็นต้นเนี่ยนะพระอานนท์พระกุมารกัสปะแต่ละองค์นี่ก็มีความสามารถกล่าวธรรมได้อย่างวิจิตรนีผลงานของพระมหากัจสปะในการสงครอบประชุมชนก็เลยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่แต่หลังจากปรินิพานแล้วเนี่ยนะโดยเฉพาะธรรมสังคยนาเนี่ยโดดเด่นมากมาดูสูตรที่ว่าผีหลอกพระพุทธเจ้าดูสิแต่พระองค์ไม่ได้กลัวนะปาวาสูตร